คือว่าคิดล่วงหน้าไปเห็นไปเนีย่ยว่าคิดไปหน้าเรื่อยๆเนี่ยทนายว่าอนุโลมไม่มีปฏิโลมคือถอยกลับเมื่อมันไม่มีปฏิโลมอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นแจ้งพรผู้เห็นแจ้งนะคือดวงจิตเนี่ยอันที่เราพิจารณาไปนั่นหมายความว่าสัญญามันจำไป เช่นอย่างว่าเพ่งไปเห็นซากศพอยู่ในป่าชานโนนอย่างนี้น ะ, ะมันก็เห็นซากศพอยู่ป่าช้านูนะ่นแหละแต่มันไม่เห็นอยู่ในใจนี้อเป็นอย่างนั้นบาน้านี้การเพ่งไปเห็นซากศพคนตายป่าชานั่นอันนั้นเรียกว่าอนุโลมการน้อมเอาเครื่องหมายของซากศพนั่นมา พขมาปรากฏอยู่ในใจนี่นะท่านมาเห็นอยู่ในใจเป็นปัจจุบันเนี่ยอันนี้ท่านเรียกว่าปฏิโลมเรียกว่าถอยกลับเข้ามาใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นทราบจบอันนั้นนะอย่างนี้จิตนี่แหละนี่เราถอยกลบกับสติเข้ามาถอยสัญญาความจำนั่งเข้ามาหาความรู้สึกอันเป็นปัจจุบันนี่นะ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 ที่เดิมจะมันปฏิสนธิในร่างกายอันนี้นะมันปฏิสนธิอาศัยอยู่ในอาไทยวัตถุเนี่ยนั่นแหละแล้วมันก็ไปสงบอยู่ที่เดิมของมันนะมันไม่ลิ่นลนไปแส่สายไปหาอารมณ์ภายนอกต่างๆานี่แหละให้เพิ่งพากันเข้าใจ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 อันนี้เหมือนกันเนี่ยจิตนี่เมื่อยึดอารมณ์ภายนอกต่างๆไว้รู้สึกมันหนักหน่วงเหมือนเอาหาบวางอยู่บนบาทน่นนะมันเป็นอย่างนั้นทันเมื่อปล่อยวางอารมณ์ภายนอกต่างๆไปหมดแล้วทวนกระแสะเข้ามาในปัจจุบันนี้แล้วเพ่งเข้าไปมีแต่สติกับความรู้สึกอยู่ภายในอย่างเดียวนะ มันรู้สึกมันเบามันโปรง่งเออดีนั่นแหละเหมือนกับว่าไม่มีภาระการงานอะไรอยู่ในใจนั่นนะออหมดภาระลงนี่ต้องฝึกใจให้เป็นอย่างนี้มันถึงจะมีปัญญารู้แจ้งทำของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ได้ไม่อย่างนั้นมันจะไม่เห็นแจ้ง เห็นก็เห็นมัวมัวไปอย่างนั้นแหละคือมันต้องมาทำกระแสจิตให้มันใสสะอาดซะก่อนอย่างนี้นะพูดง่ายๆเหมือนยังไงกระจกส่องเงาหน้าอย่างนี้นะถ้ามันมีคเมเหลาอะไรมาติดเกลกังเข้าไปแล้วก็มองเงาหน้าก็ไม่ชัดเจนนะมัวมัวอย่างนั้นแหละไม่เห็นหน้าได้ทุกกระเบียดนิ้ว ทนี้ต่อเมื่อเอาผ้ามาขัดคขมเหลาที่มันจับอยู่กระจกนั่นออกไปขัดออกไปมันก็อกระจกนั้นก็สะอาดใสเมื่อขมเหลามันออกหมดแล้วกระจกนั้นมันก็ใสแจ๋วเลยแบบนี้นะนั่นเนี่ยพอมองดูหน้าตัวเองก็เห็นทุกกระเบียดนิ้วเลย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 ก็ไม่มีอะไรหรอกความจริงเนี่ยก็รูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสอันที่น่ารักใข้พอใจท่างๆนี่แหละมันชอบใจหลายอันอันดวงกีดดวงนี้นะมันหลงรักหลงชอบมานับเป็นอเนกชาติแล้วนับชาไม่ถ้วนหมายเข้ามางั้นนะที่ร่วงแล้วมานู่นนะ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 นี่ก็เพราะพระองค์พยายามชำระดวงกิจที่เศร้าหมองด้วยอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละให้ระงับดับไปละพระทัยของพระองค์ก็ผ่องใสขึ้นมาแม่เราผู้เป็นสาวกของพระองค์ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ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 การที่จิตมันสงบอยู่ไม่ได้นั่นก็เพราะสติมันไม่ได้ยังเข้าไปถึงดวงจิตแท้เมื่อสติมันฟูๆอยู่เนี่ยจิตมันก็คิดลอยไปตามสติที่มันระลึกไปนั่นแะสติระลึกไปยังไงจิตมันก็รู้ไปตามสติที่มันระลึกไปนั่นรี่ว่ารู้ไปในอดีตบ้าง รู้ไปในอนาคตบ้างนี่มันร้วนแล้วแต่สติมันไม่ยังเข้าถึงจิตเรียกว่าสติยังเข้าไม่ถึงจิตนะมันจึงได้ส่งกระแสของตัวเองนะไปในอดีตอนาคตดังกล่าวแล้ว mm hmm. ดังนั้นให้เพิ่งพากันเข้าใจหลักวิชาอันนี้นะหลักทำใจให้สงบลงนี้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 ไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรอัตภาพร่างกายอันนี้นะก็เพ่งดูให้อสุภะนิมิตบังเกิดขึ้นในดวงกิจนั้นนี่มันจะได้บรรเทาราคะตัณหาลงถ้าเป็นครือหัดก็จะไม่ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมจะไม่ไปทำชู้จากพันรยาถ้าเป็นไอ้ผู้ชายก็ดี ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไม่ไปเล่นชู้จากสามีพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ทำลายศีลจะไม่เป็นอาบัติปาราชิกในสิกขาบทที่หนึ่งนั่นแหละหรือจะไม่ต้องอาบัตทั้งคาที่เสษ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 นึกว่าอืมไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของพระนทางห่างให้อสุภกรรมฐานเนี่ยเราผู้เป็นครือหัดนี่ไม่จำเป็นต้องมาเจริญหรอกผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นอย่างที่ว่านี่เข้าใจผิดจ่ะกลัวแต่ไม่ได้รักสวยรักงามนั่นแหละคนที่ส่งเสริมความรักความใคร่นีให้มากเกินขอบเขตแล้วมันถึงได้ทำบาป ครพหัดก็ดีอะได้ไปแย่งเอาเมียคนอื่นแย่งผัวคนอื่นอยู่มนูนี้มันก็เนื่องมาแต่มันมักมากในกามเนี่ยในความรักความใคร่นี้แหละลงถึงกับได้ฆ่ากันมูนี้นะอก็เพราะความรักนี่ไม่ใช่เหรอนอยู่ดาดินในโลกอันนี้ยทําไหมถึงจะไม่ใช่หน้าที่ของคารพหัดเราการเจริญอาโซภาคมรฐานนะ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 พวกที่ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้ตลอดนั้นก็เพราะมันบรรเทาราคะตัณหานี่แหละไม่ได้ให้เข้าใจกิเลส ต, ตัวอื่นนั้นก็อ ย, อยังชั่วนะตัวนี้แรงกว่าเพื่อนทั้งหมดเลยผู้เป็นนักบวดต้องสังวรระวังเป็นพิเศษอย่าให้มันครอบงำจิตใจได้แม้เป็นครือหัดก็เหมือนกันนะ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 เป็นเหตุให้เกิดความโกรธความเมตต า, วาความรักอันนี้เพราะว่าเมื่อเมื่อความรักอันนี้มันเกิดขึ้นในใจเราไปแสวงหาเมื่อเสวงหาสิ่งที่ตนรักนั้นบังเอิญคนอื่นเขาก็พลรักรูปนั้นอยู่แล้วตนถ้าจะไปแย่งเอาของเขาหรือไม่เช่นั้นตนรักรูปนั้นอยู่ก่อนแล้วคนอื่นมาเห็นเข้ากลรักเหมือนกันอีกก็มาแย่งกันเขา้า มันก็เป็นเหตุให้สังหารกันย่อยยับลงไปไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเลยก็มีอยู่ถมไปแล้วมีประโยชน์อะไรแล่ววันนี้ลองคิดดูความรักของใครนี่นะถ้าหากว่าไม่ระงับมันแล้วปล่อยให้มันเกินขอบเขตแล้วมันก็เป็นเหตุได้ทำบาปได้ทั้งบัญชิดทั้งคฤหัดทํทำชั่วได้ทั้งนั้นเลย แล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความโกรธความหลงไปตะพื้ตะพือแหละเมื่อมันรักผิดหวังไปมันก็โกรธพยาบาทอคนที่มาแย่งรักของตัวเองนั้นอย่างนี้นะทั้งนี้ก็เพราะมันหลงวะนี่นะนมันหลงมันมีความเห็นผิดคิดว่ารูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นสัมผัสนั้นสวยโสดงดงาม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 อาบน้ำชําล่ขัดถูด้วยสบู่สะอาดแล้วไ ป, ไปหน่อยหนึ่งพะเหงือ่อไครไหลออกมาจับอยู่ตาม ข, ขุมขนหมดนั้นเกลกังจับอยู่ตามผ้านุ่งผ้าหฮมเสือ้ออะไรหมดนั้นหน่อยหนึ่งก็ทงกลิ่นเหม็นออกมาแล้ว น, ะนั่นนี่แหละของไม่เที่ยงนะเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สะอาด ถ้าว่ามันเที่ยงอย่างนี้นะอเมื่อชาระขัดถูสะอาดแล้วมันไม่ต้องมีเงือใครอะไรออกมาเลยมันก็สะอาดอย่างนั้นเรื่อยไปมันไม่แปรสภาพเป็นอย่างอื่นไปเลยอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่ามันเที่ยงนะอืแต่ลองไปหาได้ที่ไหนล่ะในโลกเนี้ยรูปเสียงกลิ่นรสที่มันเที่ยงยั่งยืนอย่างนั้นมีเหรอไม่มีนั่นแหละ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 เสมอเสมอไปแหละผู้เห็นทุกเห็นภัยในวัฏะสงสารนี้แล้วนะผู้เห็นโทษแห่งกรรมแห่งเวรแห่งความชั่วร้ายต่างๆในโลกนี่แล้วเห็นว่าบุคคลที่พ้นทุกข์ไปไม่ได้น ะ, ะก็เพราะตกอยู่ภายใต้อำนาจของราคะตัณหานี่แหละ ให้เข้าใจเอาเลยเอากงกงเลยบบานี้นะไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรลนะ่ะจะเป็นขรือหัดก็าตามเป็นนักบวชกว็าตามล้วนแต่ตกเป็นทาตของราคาตัณหานี่ทั้งนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ได้เพียรชำระสาสางมันนะจะไปทำชั่วอย่างใดเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม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 ถ้าหาว่าใครยังมีจิตทุ่งสั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะราคะตัณหาอันนี้แล้วมันจะมองไม่เห็นหรอกไม่เห็นโทษอของความกำหนัดยินดีเหล่านี้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเหละองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ทรงเปรียบ ราคะตัณหานี่เหมือนกับไฟเป็นของร้อนที่ทรงตรัสไว้ในอดิตตะปริยายสูตรนันราคะกินาโทสกินาโมหกินาไฟคือราคะไฟคือโทสไฟคือโมหะแผดเผาจิตใจให้เราร้อนมาในวัฏสงสารอันนี้นับชาติไม่ทวน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 ไม่ไม่สมประกอบน่นนะคำว่าเปรตนี่นะท่านกล่าวไว้ในตำราไอ้ตัวใหญ่เท่าหัวเท่าควายนี่แต่ปากนั่นรูรูปากนั่นแคบแคบน้อยเดียวหนึงนะ่งพอรวมเข็มเล่มหนึ่งนี่แหละจะกินน้ำก็ไม่ได้จะกินข้าวก็ไม่ได้ แต่หักหิวอยู่อย่างนั้นหิวแล้วจะกินไม่ได้ได้รับทุกทรมานอยู่อย่างนั้นนะถ้าราษารีบุตรบินทบาตแล้วเดินตามชายหาดริมน้ำไปไปเห็นเปรตต้นหนึง่งนอนอยู่ริมน้ำจะกินน้ำไม่ได้เปรตนั้นจึงได้คล่ำควร ตั้งแต่ชาติก่อนนั้นข้าพเจ้าก็เป็นญาติกับท่านนั่นแหละ ว, ว่างั้นแต่ข้าพเจ้าทำชั่วตายแล้วจึงได้มาเกิดเป็นเปรตอยู่นี่ไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้เข้าน้ำเป็นทานแล้วก็ไปทำชั่วอย่างอื่นเข้าไปตายแล้วก็เลยมาเป็นเปรตอยู่นี่หิวหอยอยู่อย่างนั้น ขอพระคุณเจ้าได้สงเคราะห์ด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรท่านจึงได้เอาข้าวอาหารในบาตของท่านนั่นตักบาตรให้แก่พระภิสูุที่เดินตามมานั่นเอาใส่บาตรให้องค์โน้นบ้างองค์นี้บ้างไปแล้วอุทิศส่นกุศลนั่นให้แก่เปรตนั่นเมื่อเปรตนั่นได้รับอนุโมทนาแล้ว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 เสียงผู้ชายก็ตามเสียงผู้หญิงก็ตามมันก็ถักแต่ว่าเสียงพระศาสดายังได้ทรงสอนให้เพ่งให้เห็นเป็นสัตว์ธาตุเสียงก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งถ้าว่าเป็นรูปก็เรียกว่าเป็นรูปละเอียดท่านเรียกว่าอุปทายรูปรูปอาศัยมหาภูตา ร, รูปทั้งสี่เนี่ย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 มันก็แค่นี้แหละอันเสียงนั่นนะเราต้องเพ่งดูต้นตอของมันให้มันเห็นให้มันรู้แจ้งด้วยปัญญาไว้แล้วมันจะไม่ได้ตื่นเต้นกับเสียงต่างๆที่มันแว่วเข้ามาใส่หูเนี่ยไม่นุ่มนิ่มแข็งกระด้างบอ่อย่างเป็นนั่งในของแข็งแข็งอย่างนี้นะไม่ชอบใจนละถ้าได้เป็นนั่งฟูกบอก่ อ, อ่อนนุ่มนิ่มเนะ่ยพออกพอใจ ได้ น, นอนในฟูกเบาเท่อ่อนนุ่มนิ่มเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็ชอบ อ, อกชอ บ, ชอบใจนอนไม่อยากตื่นเลยอ่านั่นเลยเรียกว่าติดสัมผัสยินดีในสัมผัสอันอ่อนออ น, นุ่มนิ่มนั่นโมนี่ก็พอะมันหลงนะมันเข้าใจผิดไป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 ต่างในโลกนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมายินดียินร้ายมันก็ลงความเห็นเอาอย่างนี้ดได้เลยทีนี้นะเมื่อมันลงความเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าความยินดียินร้ายเนะี่ยมันจะระ ง, งับไปทันทีเลยก็าหาไม่ได้แต่เมื่อมันลงความเห็นไว้อย่างนี้เนะี่ยมันก็จะได้สำรวมระวังจิตใจของตนเรื่อยไปใช้ปัญญาสอนจิตนี่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 เม่ความรู้ยิ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลในรูปเสียงสลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้แหละพอตามันเห็นรูปเข้ามันก็กำหนดรู้ความจริงของรูปนั้นได้ทันทีมันไม่ทันวิตกวิจารว่าเอ๊ะรูปนี้สวยงามน่ารักจริงหนอะไรเนี่ยมันไม่ได้วิตกไปอย่างนั้นหรอกถือว่ารูปนี่ขี้ร้ายน่าเกลียดหน้าช่างหนอย่างงี้มันมันไม่ได้วิกไปหรอก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 ถึงมันยืนตัวอยู่ให้รักมันก็อยู่อยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละไม่นานนะรูปนั่นก็แปรปวนไปเป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไปแล้วอืนี่แหละเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงได้มีหลายเมียหลายผัวสําหรับเคเรหัสนะ่ะอเอา้าพอได้รูปนี่มาแล้วชมเชยไปนานนานไปสักหน่อยหนึ่งรูปเนี่ยสํารุดไปแล้ว ผิวพันวันนะอันไรก็สูบซิดไปแล้วหนังก็เหี่ยวก็ยานไปอย่างนี้นะอะไรอะไรก็ทุดโทมไปเบื่อแล้ววะเนี่ยจิตนะไปเห็นรูปอื่นเปร่งปรังก็ไปเกิดชอบใจอ้าวไปแสวงหาเข้าไปแล้วติดต่อเข้าไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาขึ้นเข้ า, เ, าเลยอย่าร้างกันไป หาความสุขความสบายไม่ได้ในกรเพราะราคาตัญหานี่แหละเป็นมูลเหตุอ่ะวันนี้นะปัญญาเราต้องสอดส่องพิจารณาให้มันเห็นเหตุเห็นปัจจัยของความหลงความเมาเหล่านี้อ่ะเมื่อมันเห็นเหตุเ ห, เห็นปัจจัยอย่างว่านี้แล้วมันก็จะไม่หลงไม่เมาแล้ววันนี้นะอ่ามันจะหายหลงหายเมาไปเรื่อยๆไป่ะ ปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะมองให้มองอะไรก็มองถึงความจริงทุกครั้งไม่ได้ติดข้างอยู่เพียงแค่สมมติปัญญิเท่านี้หนึ่งถ้าหว่าปัญญาไม่เกิดแล้วนะมันมันก็ติดอยู่แค่สมมตินั่นแหละจิตใจนี่นะโลกเขาสมมติอย่างไรก็หมุนไปตามความสมมุติของโลกนั่นแหละโลกเขาสมมติว่าสิ่งนี้น่ายินดีน่ารักน่าใคร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 อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนี่เพื่อจะลบล้างสมมุตินี่ออกจากดวงขิดนี่ให้เข้าใจกันเมื่อเมื่อมันลบล้างสมมติออกไปได้มันก็วิมุตสีแบบนี้ น, นั่นแหละคือหลุดพ้นจากสมมุตินะ น, นะจิตใจนี่มองเห็นรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสมัสทั้งหลายเป็นแต่เพียงสภาสวธรรมสภาวธรรมอันหนึ่งหนึ่งอาศัยกันอยู่เท่านั้น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 จนถึงกับว่าคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจอะไรเลยก็สามารถเบื่อหน่ายได้รู้ได้เห็นได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะคนธรรมดาสามัญ ม, มันมีอวิชชาตันหามุ่มห่ออยู่ถึงความจริงมันจะปรากฏอยู่อย่างนั้นแต่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เบือ่อไม่ได้เพราะว่าราคะตันหานะ่มันฉาบทาจิตใจอยู่ มันมั น, ม, นมันถึงไม่เบื่อไม่น่ายมันเป็นอย่างนั้นเดืองมานาต่อเมื่อเรามาตั้งอยู่ในข้อปฏิบัตินี้่เอาศีลมาชําระราคะโทสะโมหะอย่างหยาบนั่นให้มันเบาวางออกไปแล้วตอนนั้นก็เอาสมาธิมานนนะทําจิตให้เป็นสมาธิลงไปเพื่อชําระราคะโทสะโมหะอย่างกลางนะให้มันเบาลงไป อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นบนีมาชำระราคะโทสะโมหะอย่างละเอียดนี้ให้มันเบาไปให้มันหมดไปสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาวิพัฒนานี้นี่พระบรมศาสดาของเราได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายนะ่ะน้อมเอามาปฏิบัติ ชำละจิตใจอันนี้เป็นขั้นๆไปดังกล่าวมานี่นะถ้าบุคคลไม่สามารถที่จะชำละให้ถึงขั้นละเอียดอย่างว่านั้นได้ก็ขอให้ชำละขั้นหยามหยาบนี่นะให้มันดับไปให้ได้นี่ทำสินให้บริสุทธิ์ได้แล้วนี่มันก็ทำให้ราคะโทสะโมหะอยางหยาบนี่ดับลงไป เมื่อกี่เดียร์จะงามนี่ดับลงไปแล้วถ้าเป็นเครือข่าผู้ครองเรือนก็จะมีศีลห้าบริสุทธิ์เลยจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดในกรรมทั้งหลายจะไม่กล่าวมูสาว่าจะไม่ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาห้องเสพติดไท้โทษทุกชนิดแปะตะบุรี่นี่กะเว้นได้เลยอผู้ อบรมปัญญาให้บังเกิดขึ้นดังกล่าวมานี่นะเพราะว่าบุรีนี่มันก็มีแต่โทษนะไม่มีคุณแม่แต่น้อยเดียวเลยไปทำลายตับทำลายปอดทำลายอะไรต่ออะไรอยู่ในอวัยวะร่างกายภายในนูน่นให้เสื่อมโทรมลงไปเหตุ น, น, นั้นคนผู้สูบบุรี จ, จัดจึงเป็นโรคปอดปอดเสีย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 เมื่อมันหมดบุญวาสนาลงเมื่อใดนะมันถึงตายเองแบบ น, นั้นนะแต่ถ้าว่าบุคคลนี่รู้อำนาจแก่ราคะตัณหาอย่างที่ว่านี่ะอล ะ, อะรู้อำนาจแก่ความหลงความเมาเหล่านี้แล้วไปเอาสิ่งที่มีพิษมีโทษต่ตอร่างกายมาบริโภคเข้าไปอย่างนี้มันจะไปอายุยืนไปถึงอายุไขได้อย่างไรลูกนั่นนห่ะ ถึงกรรมเวรแต่ผลหลังไม่มีแต่ก็กรรมเวรที่ตนสร้างเอาในปัจจุบันเนี่ยมันตัดรอนชีวิตให้สั้นเข้าไปเพราะฉะนั้นจึงไม่สมควรเลยเพราะว่ากลัวจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่ไม่ง่ายนักต้องอาศัยบุญกุศลที่ตนทํามาแต่ชาติก่อนนู่นมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้ให้มันถึงได้มาเป็นคนจึงได้มาประกอบกุศลคุณงามความดีอย่างนี้อ่ะ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 ไม่ได้สร้างความดีใส่ตัวเองไม่มีบุญกุศลอะไรจะมาฉุดจิตใจอันนี้ให้ออกจากวงจรแห่งความทุกข์ได้เลยเอา้าวทำบาปหนักก็ไปตกนรกทนจากนรกมาแล้วผมมาเกิดเป็นเ ป, นเปรต้นจากเปรตมา เ, เกิดเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายมาเกิดเป็นสัตว์ดิเรฉาน คนจากสาเดลฉานมาเกิดเป็นคนขี้กระจอกงอกง่อยไม่มีสติปัญญาแล้วก็เอาไปมาไปประกอบครรมชั่วใส่ตัวอีกแล้วตายแล้วไปหมุนไปตกนรกอีกเนี่ยท่านเรียกว่าวงจรภาษาสมัยใหม่เขาเขาเรียกว่าไปสู่ทุกข์ครบวงจรเลยอ่ ะ, อะ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 ก็เลยได้บุญกุศลนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยอทําให้เกิดเป็นคนดีคนดีขึ้นมามีอวัยวะร่างกายสมประกอบทุกส่วนเลยบวะนี่กรรมเวรแต่หนหลังมันหมดไปแล้วก็ได้สัง่งได้ทําบุญกุศลอในชาตินั่นแหละไว้พอสมควรนะเพราะฉะนั้นตายจากความเป็นคนพิการนั่นเราไปเกิดเป็นคนดีแบบนี้นะ มีตาหูจมูกลิน้นกายมือเท้าอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายครบท้วนบริบูรณ์จิตใจก็ดีบะนี้นะเอ้ามาตั้งต้นสร้างบุญกุศลทำความดีกันไปไหมอันนี้ก็เป็นวงจรอีกแหละวงจรทางดีบะนี้นะอา่าพ้นจากความเป็นมนุษย์นี่เมื่อบุญกุศลมากเข้าไปก็ไปเกิดเป็นเทวดา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 หรือว่าเป็นเครหัส่ผู้คลองเรืนอนก็มาทำบุญให้ทานเพิ่มเติมเข้าไปอีกบุญกุศลบารมีก็มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับไปนี่อันนี้ก็เป็นวงจรนี่นะ น, นี่วงจรฝ่ายกุศล น, น ะ, ะถ้าว่าผู้ที่มาเจริญสมาธินี่ไปจนได้บรรลุฌานสมาบัตแปดแบบนี้